ห้องนี้ก็รกจาจะอบรมการรสติเนี่ยเราพอเพียนมาสิบปีแล้วนะสิบกว่าปีแล้วที่ทแบบอาจารย์ปูกอาจารย์ต้มนะจะมาก็มาักเจ็ดแปดีกว่าีเราต้องมา <c oughs> มาอบรม ธรรมามีส่วนในการตั้งชื่อตั้งชื่อว่ารู้สึกตัวไม่มีทําไมทําไมถึงทำไมความรู้สึกตัวนที่จริงรู้สึกตัวก็คือการการฝึกมีสติสัมปชัญญะนั่นแหะทําไมความสงสัยต่งตางๆมาถึงหมดไปได้ก็เรารู้สึกไหมบางทีชีวิตเรา มันที่มีความสงสัยเกิดขึ้นมากมายเลยทำไมเราต้องยากจนด้วยทําไมเราต้องเจอปัญหาในที่ทํา ง, งานด้วยทําไมเราต้องป่วยด้วยทําไมพ่อแม่เราต้องเป็นมะเร็งด้วยทําไมเราต้องเป็นมะเร็งทําไมเราชีวิตเราไม่มีความสุขความสบายเลยเหรือ ทำอย่างไรเนาะเราถึจะมีความสุขทาอย่างไรเราถึงจะไม่มีความทุกขนะ์เลยเลยไหมความสงสัยทำไมหรือว่าทําอย่างไรหรืออะไรที่เป็นหมวดคําถามเยอะมากนะในหัวอาต ม, มาเองก็แต่ก่อนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแหละมีความสงสัยในในเรื่องของชีวิต มีความสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นกับกับชีวิตของเราเองนะทำกับโลกด้วยนะก็สงสัยไปเยอะมากแม้แต่งมาเดินสติตามแนวของข้อเทียนเห็นการยกมือสร้างจังหวะก็สงสัยเหมือนกันนะทำไมต้องมายศมือแบบนี้เรื่อยทําแบบนี้มันถูกจริงหรือเปล่านะหรือพอมาทำจริงจริงก็สงสัยเอ๊ะเรารู้สึกตัว ได้ยังหรือบางทีปฏิบัติไปก็พอได้ทารมณ์ใดบ้างรับเอ๊ะเราได้ขั้นไหนแล้วเพราะบางทีแต่ก่อนแล้วก็หลวงพ่อเทียนจะมีสือบางเล่นให้อธิบายในเรียกว่าอะไรารมการปฏิบัติเข้าใจาเรื่องต้นเข้าตู้ลูปรู ก, ก, ก, กนานไปไปจนทั้งนจนถึงสุดท้ายเราก็เป็นเหมือนมีในใคล้ายมี มันแบบแผนนะที่เราจะสงสัยว่าเราถึงขั้นไหนแล้วเราปฏิบัติธรรมได้ถึงไหนแล้วนะเราทำถูกหรือเปล่าเราทำผิดหรือเปล่าก็สงสัยในการแม้ในการปฏิบัติธรรมนี้ก็เยอะมากนะนี้โดยส่วนตัวนะแล้วก็คิดว่าหลายหลายคนก็เฉยๆนะแต่บางคนอาจจะสงสัยน้อยกว่าก็ทำไดนะ้แต่เท่าที่อบรมาก็ จะมีคำถามนะแต่แพทยปฏิบนะัติธรมเนี่ยถามวนะ่รู้สึกตัวถูกหรือยังนะนะถ้านนเป็นในทิมเทดี้ถ้านนเป็นในทิมเทถูก็จะมีเยอะมากนะแต่เอาข้อจริงนะเราสังเกตุถ้าเราสัมผัสกับภ า, าวะที่รู้สึกตัวได้นะมันจะหมดความสงสัยเมืนะ่อนะรู้สึกตัวได้นะจะไม่มีทมนะําไมตอนมีทําไมเนะี่ย มันตอกให้เราไปหาคําตอบบางทีก็คิดนะคิดตอบนะคิดประมวลผลวิเคราะห์หาคําคตอบได้เองบางทีก็ทําให้เราต้องไปคอยไปถามคนนั้นตัวนี้ว่าแบบไหนทุกอยถูกแบบไหนี้จะดีใช่หรือไม่ใช่หรือบางอย่างเราต้องไม่เขใจเราก็อยากจะรู้แล้วก็คล้าๆอยากไปอ่านล่วงหน้าอยากไปได้ยินได้ฟังล่วงหน้าว่า ต่อไปจะเท่ากันอย่างไรอันนี้มันดูๆแล้วมันก็ดีนะเบื้องต้นก็ถือว่าดีแต่เอาเข้าจริงๆเมื่อเราภาวนาไปเรื่อยเราก็พึ่งดูว่าที Moi ่จริงไอ้ควกนี้มันคือจิตเราไม่อยู่กับปฏิวัตไม่เกิดความสงสัยขึ้นในใจมันก็เลยคิดที่จะต้องหาคำตอบ พิจิมันก็เหมือนกระบวนการที่เราคุ้นเคยในทางโลกนะเมื่อเราสงสัยนะปูวาจางก็ต้องสอนว่าแบบสงสัยก็ต้องถามคู่นะต้องถามหรือต้องกระซารหาความรู้แต่ในทางปฏิบัติธรรมมันมันต่างจากการเรียนทางโลกอยู่บ้างทางโลกเมื่อเราสงสัยเราก็ถามเพื่อจะได้คำตอบนะหรือพยายามคิดให้ได้คำตอบ แต่ในทางทำสงสัยแค่รู้ว่ากลังสงสัยมันมันต่างนะคือการรู้รู้คืออะไรรู้ว่าจิตตอนนี้นสมันลสงสัยมันมีจิตหนึ่งที่เข้ามารู้ว่าจิตนี่กำลังสงสัยไม่จำเป็นต้องได้คําตอบก็ได้มไม่จำเป็นต้องได้คําตอบก็ได้ ม, มาตอนปฏิบัติใหม่ๆ ห, หน่อกพ่อมกำเขียนต้องให้วทษอ่า หรือว่าการเจินสตินะไม่มีคำถามมีแต่คำตอบตัวตัวเองตอบตัวเราเองคำคาพูดแบบนี้นะในในตอนที่ภาวนานใหม่ๆไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็แล้วก็เถียงในใจประมาณว่าอะไรแค่ภาวนาเถียงในใรู้ทุกอย่างเลยละ่ะไม่ต้องถามไม่มีอะไรละแต่เอาตัวจริง พอภาวนาไปจริงเข้าใจแล้วที่จริงในยะไม่ใช่ว่าเราจะรู้เรื่องโลกทั้งหมดนะไม่ไม่ใช่ว่าเราจะฉลาดเรียนจบโดยไม่ต้องอ่านหืองหือภาวนาเดียวก็ไม่ใช่แต่คําว่าภาวนาแล้วไม่มีคําถามมีแต่คาตอบตัวเราเองตอบตัวเราเอ ง, เเองได้คืออะคือมันย้อนกลับมาเห็นเป็นกายเห็นใจของเราเอง เห็นความรู้สึกที่มันสงสัยเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นความรู้สึกที่มันสงสัยมันเห็นชัดเจนนะความสงสัยมันมันก็หายไปเองอาจจะไม่มีคําตอบเป็นคําพูดนะหรือคํำอธิบายให้คนอื่นเข้าใจให้ตัวเองเข้าใจแต่มันแค่รู้สึกว่าเมื่อจิตมันเห็นความสงสัยความสงสัยมันหายไปเมื่อความสงสัยมันหายมันก็ไม่ทำการตั้งต่อใช่ไห มันเป็นคือมันไม่ต้องมีอะไรไปยว่าคือคล้ายๆตรงรถคล้ายๆตรงรถเหมือนถ้ามันไม่มีแก้วมันก็ไม่ต้องไปหาอะไรเติมในแก้วอไม่ต้องมาหาน้ําป่าน้ำอะไรเติมแก้มันมันก็แกนนะแต่พอเรามีแก้วแก้วเราว่ามันคือจะใส่อะไรดีมาแล้วก็หาอะไรมาใส่เหมือนเหมือนสมองเราว่าเรามีคำถามเราไม่มีคำตอบ มันเหมือนต้องหาอะไรมาตอบในคำถามให้ได้เมืตนต้องมีอะไรมาใส่ในแก้วอ่ะมันถึงจะไม่ว่างนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าเราโ ม, โม่ภาวนาบทีไม่ได้เอาโ ม, โ ม, โม่หยาดฉลาดนะอืมบางทีเรา ใ, ใหม่เราก็อยากจะรู้เพราะเราอยากหยัดอยากหยฉลาดเราอยากจะเ ก, ก่งเราอยากจะดีนะแต่เอาควจริงภาวนาเป็นแค่รู้ว่าใจมาสงสัยปุ๊บความสงสัยหาย หรือเอาค่อยจะจริงอธิบายแบบนีงว่าคือเราต้องมาเห็นจิตเราที่มันมันไหวจิตมันไหวไหวอะไรหวไปสงสัยนะจิตมันไหวไปสงสัยอันะนีสส้คืออาการอย่านะงของจิตที่มันไหวไปสงสัยนะเราต้องมีอาการของจิตที่มันไหวอีกหลายอย่างเช่นบางทีแต่ก่อนเราไม่รู้หรอกเช่นเราเห็นอะไรสักอย่าง ใจเราจะไหลไปกับสิ่งที่เห็นได้ยินเสียงเสียงเพลงเสียงนกร้องเสียงอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปทางชอบกว่าไม่ชอบน่ะเ็ยเฉยเนี่ยจะไม่ค่อยไปนะแต่จะไปทางชอบกับไม่ชอบมันจะไปไปสนใจไหลออกไปนกับเสียงที่ได้ยินกินกินห้องก็ดีกินไม่ห้องก็ดีนะก็ไปจิตเราจะไหลออกไป ไหลออไปตามสิ่งที่มันกระทบกระทบทางภายนอกก็ห้าอย่างนะตาหูือจมูกลิ้นปายแล้วก็มัก็กระเทือนภายในคือการปรุงแต่คิดนึกขึ้นในใจนี่คือเรจะเห็นว่าจิตมันเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวก็ไปนะจิตเดี๋ยวก็ไปทางตาจิตเดี๋ยวก็ไปทางหูอยู่ในหัวก็จิตก็ไปทางจมูกนะ อยู่ในที่อืจจ่นก็จนะจิตไปทำกายร่างก็มีนั่นจิตกับร่างกายเนี่ยมันสำคัญเหมือกันคือร่างกายเมื่อมันกระทอกกับกับสิ่ ง, งตืน่นกระตุ้นมันก็ทําให้จิตเราถ้าเราไม่มีสติเราก็จะออกไปออกไปสนใจหรือบางอย่างก็พยา ก, า อ, ยากออกไปาก็บต้านต้านต้านก็เลยด้วยความกลัวดปวยสังเกตนะที่เรา เราก็ต้านด้วยความกลัวนะกลัวบางอย่างเราก็ยังแต่สร้างสร้างเกาะขึ้นในใจนะนี่ก็คือร่างกายกับจิใจมันมนสัมพันธ์กันมากแต่การที่จะกลับมาเห็นจิตใจเห็นใจที่มันไหวใจที่มันปรุงแต่งนะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายถ้าเราไม่มีสติถ้าเรามีรู้สึกตัวเราจะเข้าไปเป็นกับมันได้ง่าย เป็นโดยอัตโนมัตินะเราจะเข้าไปเป็ี่ยนมันมากนั้นมันก็มีวิธีการหนึ่งก่อนที่เราจะมารู้ทันจิตใจตรงๆมันก็มีการที่เราตามมาสเกตดรูร่างกายของเราก็ได้ตามมาสเกตดรูร่างกายบ่าเป็นความรู้สึกอย่างไรเราก็จะรู้เท่าทันจิตใจของเราได้ได้เร็วขึ้นมีใน้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งมีโยมคนหนึ่งเขา เขาป่วยเป็นมะเร็งนะอายุไม่มากป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็แต่เขาก็เล่าชีวิตของเขาที่ค่อนข้างสู้ชีวิตมามากนะตั้งแต่เด็กๆถอดรหดสู้ชีวิตมามากก็ต้องใช้ชีวิตอย่างเนี่ยเคร่งเครียดแล้วก็หวังความสำเร็จทางโลกะจนก็สำเร็จทางโลกอ่ะนะก็คือว่าเก่งแล้วก็รวยระดับหนึ่งแต่พอเป่วยเป็นมะเร็งเขาก็รู้สึกว่า ตอนนั้นก็มีเงินแล้วก็เอาการรักษาแบบเต็มที่นะเพื่อรักษาโรคมะเร็งก็รักษาจนหายก็คิดว่าตัวเองเก่งนะเป็นกลัวเรื่องการรักษามะเร็งระดับหนึ่ง์นะแล้วเขาก็ไปใช้ชีวิตในการไปเปิดร้านหาสุขภาพที่เชียงรายนะก็เปิดร้านอาหสุขภาพแต่ก็ยังเขาก็บอกว่าเขาก็ยังแค่เน้นในตัวรูปแบบในการที่จะ ดูแลร่างกายเรื่องอาหารเรื่องสมุนไพรหรือเรื่องอะไรต่างๆคือเน้นเรื่องการดูแลร่างกายแต่ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของจิตใจตก็้วใครก็เป็นคนทารายเร็วมากแต่คราวนี้อีกเจ็ดปีเอามาก็กลับมาเป็นมาเล่นครั้งที่สองคราวนี้รู้สึกโอ้เราอุส่าห์กินอาหารสุขภาพเราอุตส่าห์หน้าหนี่หลายอย่างเข้าพอ ทางเลือกเยอะแยะมากมายแต่ทําไมเราต้องกลับมาเป็นมะเร็งอีกทรานด้วยแกรู้สึกทุกข์มากแต่คราวนี้ก็มีหมอให้หมอแนะนําให้ให้ไปฝึปกโยคะแต่ก่อนแกเคยเจอครูโยคะมากินอาหารที่ร้านของแกน่าหนอ า, าสติ๊กภาพแกรู้สึกอุกิจลูกค้าอนนี้มากก็เลยครูโยคะกินอาหารช้า อแกเจ้าพยาใจให้ดิ้มกินจะสี่โต๊ะแกเรียกว่าห่างคือได้รับสุดท้ายตัวเอนมาให้รู้สึกไม่สูญเจตตาแต่พอเป็นมะเร็งทั้งหลังก็ต้องก็มีหมอแนะนําให้ไปสุกเดียวค้างบ้าแกต้องฝึกแกต้องฝึกแต่ฝึกแกบอกมีความสุขที่สุดตอนสุดเดียวค้างคือตอนไหนไม่ใช่ท่าศอกแต่ชัตอนฝึกเสร็จแล้ว คือตอนฝึกมันต้องทำติดช้าต้องคือมันต้องเคลื่อนไหวตามในหวลาติด้ า, าแต่พอเลกฝึกเนี่ยแกจะบอกพอเลิกฝึกลุกแกจะรีบ ล, ลุกขึ้นจะรีบลุกขึ้นไปทําอะไรเร็วๆที่แกจะชินแที่มีความสุขตอนที่ต้องรีบลุกครูฝึกก็สังเกตเห็นแบบนี้ทุกครั้งแกงก็ครูฝึกก็พอแกจะลุกแกจะจะมาจาับไว้จัดจับตัวไว้ก่อนจะรีบลุกแล้วก็ แกก็ค่อยๆได้สติ เ, เออแกแกดีอีกแล้วมาอีอย่างหนึ่งเดาส่วนใหญ่ก็เกิดชอบท่าสมนะแต่แกจะกลัวท่าสพเพราะอาจจะเคยมีตอนนักเด็กเนื่องจากครอบครัวเป็นปัญห า, ภาเขาจะมีเรื่องฝันร้ายแกก็จะกลัวเรื่องการนอนอนั่นคอท่าสมนี่แกแต่แกจะกลัวมากแกเป็ไม่อยากตับไม่อยากนอน แต่ตอนหลังคือพอจากคนที่ทําอะไรเร็วๆแล้วก็ไม่ค่อยเน้นความสาคัญเรื <Jimmy> ่องจิตใจเน้นให้ความสำคัญเรื่องรูปแบบภายนอกอันเช่นคือบางคนก็ทานอาหารสุขภาพก็ถือว่าดีนะแต่ไม่ได้ดูแลสุขภาพใจควบคู่ไปด้วยมันก็เลยเหมือนคือสุขภาพร่างกายเราเน้นเรื่องอาหารเรื่องยาํารุงเรื่องอะไรต่างๆซึ่งมันก็ดีแต่ส่วนหนึ่งคือสุขภาพใจที่ ก็อย่าใช้ชีิตแบบเดิมคือใช้ความคิดเยอะใช้อารมณ์ในการทำงานนะคือใช้ทำอะไรตามใจที่มันรวดเร็ว น, นะมันก็เลยอาจจะทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ตั้มาปวยครั้งหนึ่งก็ได้แต่จ้มีเหตุแบนดีก็ได้นะแต่แกบอกว่าพอแกมาดึกโยกคะขึ้ น, นแกสังเกตคือแต่ก่อนไม่รู้เท่าทัดานด้านกายของตัวเองแต่โยคะ หรือว่าการเคลื่อนไหวมันทําให้จับสังเกตว่าร่างกายเนี่ยปับจิตใจมาสัมพันธ์กันพอตอนไหนแกจะรีบแก ก, แก็แบอกว่าเหมือนเหมือนมีอะไรขึ้นมาที่ที่หน้าอกแล้วก็มันมันอยากจะผลักดันให้ไปทําเช่นหรือเจออารมณ์ที่มันเจออารมณ์่มไม่ดีอารมณ์ก็ขึ้นมาที่หน้าอกมันอยากจะพูดอยากจะว่าอ แก พ, พอพอฝึกโยคะฝึกการเคลื่อนไหวตามไมเห็นนะเห็นทภ า, าวัที่มันขึ้นมาพอเห็นทภ า, าวัตถิมันขึ้นมาอันนี้มันมนี่ก็มีสติสได้รู้ตัวก็ได้เราก็เลือกไดว่าเราจะทําตามอารมณ์นั้นหรือว่าเราจะเปลี่ยแค่แค่รู้มาเฉยตอนหลังพอแกมีสติมาก ข, ขึ้นก็เลือกที่จะไม่ทํากามแล้วแต่บางครั้งขาดสติก็เกิดไปทําการมันบ้างแหละ แต่พอเริ่มกลับมาสังเกตดูร่างกายของตัวเองได่มากขึ้นเออมันก็ดูได้พอดูได้จิตมันก็คล้ายๆเป็นอินสระจากจากอารมณ์ได้ได้บ่อยขึน้นนะก็ไม่ต้องทําตามความคิดไม่ต้องทําตามอารมณ์ต่างๆได้มากขึ้นเอออัอนี่ยคือมันคือบางคนพอเริ่มมาสึกการจับที่กายก่อนมันทําให้เราเห็นอารมณ์ได้ง่ายขึ้น อารมณ์ในการที่เห็นตายมันเปลี่ยนแปลงคือการโรติเราจะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวการหยุดนิ่งอันนี้ก็เป็นแต่การฝึกโยวค้ะก็ทําได้หรือฝึกเต้ น, นสตรีทแบบนี้เราก็เห็นกระเน้นการการรู้ตัวกับการเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดนิ่งแต่จริงมันไม่ได้แค่รู้เพื่อแค่ตเ น, น้นแต่พอมันมีอาการที่มันผิดปกติขึ้นใ น, นร่างกายเราก็จะเห็นนะ ในการเคลื่อนไหวในรูปแบบก็ดีบางคนพอเคลื่อนไหวบางทีก็จะมีนะยเช่นถ้าเราตั้งใจเกินไปมันจะเริ่มเกร็งเริ่มเกร็งก็เริ่เดิ่มเครียดหรือเริ่มช้าเกไปนี่อันนี้บางคนถ้าไม่รู้ตัวนะจะไม่รู้ก็แตทำตามตนะั่นแหละคือทำไปเรื่องบางคนจะเริ่มเริ่มช้าเริ่มเพ่ง ตาเริ่มกำหมึนเลยนะแต่ถ้าคนภายนอกจะดูดูง่ายแต่ถ้าตัวเองจะไม่ค่อยเห็นตัวเองแต่ถ้าเราเห็นตัวเองนะเช่เราเคลื่อนไหวปุ๊บปุ๊บทำสบายๆแต่พอถึงจุดหนึ่งเราอยากจะรู้ชัดๆเราอยากจะให้มันไม่คิดมันจะเริ่มเดิมแบบเอาจริงเอาจังเอาจริงจังนะ เราก็เห็นตัวเองถ้าเราเห็นนะเห็นเริ่มจริงจังขึ้นหรือเริ่มตื้ออัดขึ้นคะแนั้นคือเริ่มเรีว่าเห็นอาการที่จิตมันเพ่งไปเห็นความตึงของร่างกายเห็นความตึ้งตึงของจิตใจนะั่นเว่าเห็นการเพ่งการจอ้องการบังคับเราก็จะผ่นอนคลายตัวเองได้พอเราเริ่มเห็นตรงนี้โยมต่อไปเราไปทำอย่างอื่นที่เรารู้สึกว่ามันมันตั้งใจเกินไป จิตมันจะไปรู้ว่ามันตั้นใจเกินไปแเราจะผ่อนเช่นตอนจับปลวกมาไล่สมมตินะตอนไหนที่กเครียดนะบางทีเราก็เพล่เพล่เกรงจับเกรงเกินไปอนะหรือตอนจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันนีมันมากเกินไปจิตมันจะรู้สึกตัวด้านกายเกรงเกินไปมันจะคลายมันจะคลายออกเนี่ยมันร่างกายกับจิตใจมันสัมพันธ์กันนสัมพันธ์กัน ถ้าเราสามารถจับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในร่างกายได้เราก็จะสามารถจับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตใจได้เรง่ายขึ้นอันนี้คือเป็นเป็นตัวบ่ายเนาะในการฝึกสตินอกจากเราสุกสติรู้สึกตัวในการเคลื่อนหยุดผมาอเกี่ยที่เน้นการเคลนะื่อนการหยุดนะทีน้ำค้างให้รู้สึกตัวแต่ให้ความแบบสบายๆนะอนะ การเตอนติเนี่ยทาแบบสบายๆบางคนพอคิดถึงการฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเกรงล่วงหน้านะให้ก่อนเริ่มปฏิบัติธรรมให้คลายก่อนจะ ด, ดีกว่าการเกรงไว้นะโยคลายก่อนคลายก่อนแต่มายังเคยฟังหลวงพอประโมท่านพูดถึงแม้แต่เรื่องการฝึกดูลมหายใจขึ้นเหมือนกันแต่ก่อนเราก็เคยฝึกดูลมหายใจนะ แต่พอตอนแรกเราคิดว่าตึงตรงหายใจตอนแรกคือต้องเริ่มหายใจเข้าพอเริ่มหายใจเข้าเริ่มตื้จิตเราจะเริ่มแผไเริ่มนิ่งเริ่มตึงนิดหนึ่งแต่หลวงพ่อท่านบอกว่าที่จริงเริ่มแรกให้หายใจก่อกหายใจออกก่อนหายใหคลายหายก่อนตอนนี้ก็ค่อยหายใจเข้าแบบสบายๆคือเริ่ม คือให้เริ่มต้นด้วยความผ่อนคลายพอแล้วพอผ่อนคลายเพื่อแม่รักแท่นมันก็จะทําได้ไม่ง่ายขึ้นแต่คนส่วนใหญ่มักคิดว่าพอปฏิบัติเนี่ยต้องเริ่มตื่นก่อนแต่บางทีพอมนตื่นมากมันจะตื่นขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่รู้ตัวนั้นถ้าจะดีนะเริ่มด้วยกวามผ่อนคลายจุดลดท่านข้านั่ะจะนั่งให้สบายสบายผ่อนคลายยินน้อยๆนะยินน้อยๆผ่อนคลายเดิน จะเดินจงกรมก็เหมือนกันฉันยืนสบายสบายมองซ้มองขวาสบายสบายจิตใจไม่ต้องคาดหวังอะไรแล้วก็ทำรู้สึกตัวไปทีละครั้งแล้วก็เนี่ยเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้นะก็สบายพลิกมือขวารู้สึกตัวยกขึ้นรู้สึกตัววางลงรู้สึกตัวอืม รู้สึกตัวพีละคั้งเนี่ยคือมีการกระทําพร้อมกับความรู้สึกตัวแต่ทาอะไรก็ได้นะรู้สึกตัวไม่ใช่ไม่ใช่ว่ารู้สึกตัวโดยการไปคิดรู้สึกตัวนะไม่ใช่ว่าเรากำลังคลิกมือขวาเรากำลังยกมืออันนี้คือความคิดนะแต่หมอข้อเจนเมก่อนคลิดมือซึ่งรู้สึกตัวคือมือมันเคลื่อมือมันคิดปุ๊บ เนะี่ยมีการเคลื่อนมีการรู้สึกตัวไม่ใช่พลิกมือแล้วเอ๊ะรู้สึกตัวว่ามือกำลังพิกไม่ใช่นะต่างกันนิดหนึ่งนะคือทําเช่นรู้สึกตัวเนะี่ยรู้สึกตัวไม่ตาไม่ต้องคิดว่ากรมือนะไม่ต้องคิดว่าแบมือแต่พอมันกำปุ๊กรู้สึกตัวแบปบก็รู้สึกตัวคล้ั้นบางคนลมแอร์มากระทบอ่ะลมมากระทบเนี่ย เราไม่ต้องพูดก็ได้ว่าโดนกระทบแต่เรารู้สึกได้ค uh ือโดนทีกระทบนั <st ing backwards> ่นคือความรู้สึกตัวใช่ไหมคือรู้สึกตัวได้เมื่อมีคนมาสะกิดตราอรู้สึกตัวโดยไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าใศรสะกิดใช่ไหมมันจะต่างนั่นนะไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าใครสะกิดสะกิดข้อไหนอะไรไม่จำเป็นแต่พอมีคนสะกิดปุ๊บเรารู้สึกตัวอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายที่เคลื่อนไหวปุ๊กรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวแล้วตอนนี้ใจก็เหมือนกัน ใจมันไหวอย่างที่ว่าไหวแล้วไปทางตารู้สึกตัวไหวทังหูรู้สึกตัวไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้ว่าทําไมถึงไหวอย่างที่ว่าถ้าเรารู้สึกโดยจริงไม่ต้องสงสัยว่าทําไมถึงไหวแค่รู้สึกตัวปุ๊พอเลยไม่ต้องไปหาเหตุได้ทําไมฉันเห็นคนนี้แล้วถึงมูดหงิดทําไมฉันเห็นอันนี้แล้วก็ถึงชอบไม่ต้องแค่พอรู้สึกตัวปุ๊บว่ามุดหงิด รู้สึกตัวปุ๊บว่ามันชอบแนบะพอนี่คือความรู้สึกตัวพอเราแค่รู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นความสงสัยพะไรสักมันก็จบมันเองอันนีน้แต่บางทีมันก็ไม่จบตลอดนะก็ะสงสัยปุ๊บ ก, ก็รู้ว่าสงสัยเกิดอะไรขึ้นปุ๊บ ก, ก็แค่รู้มันอย่างที่มันเป็นการรู้สึกตัวคือรู้ สิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็จิตใจอย่างที่มันเป็นก็แก้แล้นนะเราทําแบบนะั้นเรื่อยๆเราจะได้มันจะเกิดความเข้าใจนะธรรมะจะเกิดความเข้าใจจะเกิดคาต่อต่อตัวเองได้นะออไม่ต้องรอครูบาอาจารย์าอธิบายไม่ต้องครูบาอาจารย์มามาสอบให้กับเราไม่ต้องสอบเราหลงปด้นทันทีหลวงพ่อเมีเขียนต้อบอกว่าหลวงพ่อที่หลวงพ่อเทศหลวงพ่อสอนเนี้ย ไม่ต้องสอบเราลงก็ได้เพราะตัวเราเองจะสอบเราตัวเองในตัวเาใช่ไหมเรารู้ตัวเองแล้วก็รู้เราหลงไม่เองก็ก็รู้ไม่ต้องรอใครมาบอกว่าเราหลงหรือเปล่าเรารู้หรือปล่าถ้าเรารู้สึกตัวปุ๊บเราก็รู้ว่าตอนนี้รู้ตัวอยู่รูฮะเมื่อกี้มันดลงคำว่ารู้สึกตัวนะคือเมื่อกี้มันหลงเมื่อกี้มันหลงไปคิดปุ๊บรู้สึกตัวว่าหลงไปคิดเนี่ยรู้สึกตัวะอืม ไอ้ที่หลงไปเมื่อกี้ก็เป็นเป็นตื่นดีไปละแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ามันหลงนี่นคือเมื่อรู้สึกตัวปุ๊บไม่ว่าจะรู้กายก็รู้ลงที่ปัจจุบันหรือรู้ใจก็รู้ว่าเมื่อกี้มันเผลอออกไปรู้ทันแบบเร็วขึ้นทีขึ้นนี่จิตก็จะอยู่กับเนื้อกับตั ว, วยอนนยู่กับปัจจุบันได้เราก็จะเห็นที่ที่เกิดขึ้นในกายในใจก่อนนั่นแหละนะนคือกู สิ่งที่เกิดขึ้นในการแต่ของเรานี่คือรู่สิ่งที่กระทบเป็นเพียงแค่กระทบให้เราเห็นว่ามันมีอะไรที่มันอยู่ข้างในเห็นรูปจริงรูปมันก็สักแต่ว่ารูปแต่มันมีสัญญามันมีการตีความที่อยู่ในใจของาให้เราเห็นว่าเมื่อเห็นรูปนี้แล้วจิตมันปรุงแต่งอย่างไรเนะี่ยแล้วก็ไม่เป็นไรจะชอบไม่ชอบไม่เป็นไรดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยเห็นไม่บ่อย แต่จิตมันจะสรุปจิตมันจะรว่ของนั่นเองนะอันนี้คือนี่คือเรื่องราวของการการเจริญสติน่ะนะหรือการทำความรู้สึกตัวถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆเนะี่ยความสงสัยทําไมเนะี่ยมันก็จะเป็นหมดลงไปจากใจของเราเนะี่ยมันก็จะเกิดความมั่นใจในในการฝึกปฏิบัตินในแนทางนี้แล้วก็มันก็จะเกิดความเข้าใจว่าที่จริงภาวนาเอง ก็ไม่ใช่ก็จะต้องทําแค่ในรูปแบบหรือว่าต้องไปอยู่ที่พัดเานะั้นเพราะที่จริงทุกสิส่งทุกอย่างในชีวิตคือการคือการภาวนาคือธรรมะนั่นแหละนะถ้าเราเข้าใจจริงก็ไม่ชีวิตกับการภาวนาเป็นเป็นสิ่งเดียวกันไม่ต้องหาไม่ต้องมีตัวช่วยอะไรมากมายก็ได้แต่แต่ก่อนเราคิดว่าภาวนาหรือว่าต้อง ตอ้อย่างนั้นทั้งนี้ต้นงหาสถานที่ต้งหาที่สงบต้องหาผูาา้บรรจงอันนั้นมันเป็นมันเป็นสิ่งภายนอกกนะแต่เอาเข้าจริงจริงแล้วถ้าเราภาวนาเป็นจริงทุกที่นั่นแหละคือการภาวนาทุกอย่างนี่ยแหละคือการภาวนาทุกอย่างคือธรรมะตนะั้นถูกถกถูกอยู่แล้วไม่ต้องอาศัยอย่างอื่นมันเป็นเหตุปัจจัยมาม า, มากมายนะอันนี้คือถ้าเราเข้าใจนะมันก็จะทําด้ ก็ฝากไว้นะ